ปฏิบัติธรรมเพื่อใครถ้าไม่มีตัวตนถามถ้าไม่มีตัวเราเราจะทำดีเตรียมสเสบียงไว้ให้ใครปฏิบัติธรรมไปเพื่อใครกันครับหลักของศาสนาพุทธไม่ดูขัดแย้งกันในตัวเองเหรอตอบทำนองเดียวกับคุณเพิ่งกินข้าวมื้อเย็นอิ่มแล้วเดินเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของเตรียมไว้สาหรับวันพรุ่งนี้ ทำไมคุณต้องห่วงมื้อเช้าที่ยังมาไม่ถึงทำไมไม่คิดว่าลุกขึ้นมาค่อยหาใหม่คำตอบคือเพราะมันจะไม่ทันการน่ะสิเช้าขึ้นมาคุณต้องทำกิจธุระประจำวันมากมายหากไม่หาเตรียมไว้ก่อนเวลาก็อาจไม่พอหรือแม้พอก็จะไม่สะดวกไม่รู้ว่าจะหิวโหวยแค่ไหน คิดดีๆแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ก็เป็นคนละคนกันแล้วเหมือนกันคุณลืมอะไรอะไรมาเยอะกองเหตุการณ์สารพันไว้เบื้องหลังรูปร่างหน้าตาก็แค่มีส่วนละไม้หาได้มีอวัยวะสักชิ้นที่คงเดิมแต่ความรู้สึกว่ายังเป็นตัวเดียวกันนั่นเองยังคงดำรงอยู่และสืบเนื่องกันไปเรื่อยนั่นก็ทานองเดียวกันกับที่คุณสงสัยว่า ชาติก่อนมีหรือไม่มีกันแน่ถ้ามีก็ลืมไปแล้วเป็นคนละตัวกันแล้วถ้าเคยนึกน้อยใจวาสนานึกน้อยใจชะตานึกน้อยใจฟ้าดินมาบ้างตามหลักพุทธศาสนาคุณต้องน้อยใจกรรมเก่าของตัวเองในอดีตแล้วก็นั่นแหละครับที่ตัวตนข้างหน้าจะต้องมานั่งน้อยใจตัวคุณในชาตินี้ เป็นคนละคนกันแต่ก็น้อยใจกันได้ตราบใดยังมีอุปาทานตราบนั้นคุณต้องทำเพื่อตัวตนของคุณเองนั่นแหละครับถ้าชาติหน้ามีจริงมันก็แค่เช้าวันใหม่แค่เอื่อมอีกครั้งหนึ่งและหากเข้าใจหลักดำเนินชีวิตของพุทธศาสนาแล้วคุณจะรู้ว่าการเตรียมสเสบียงไว้ให้ชาติหน้านั้น แท้จริงคุณได้กินตั้งแต่ชาตินี้เดี๋ยวนี้เลยละ่ะเพราะธรรมะทำให้มีความสุขทางใจและความสุขทางใจก็ไม่ต้องรอเสวยด้วยใจดวงใหม่แต่อย่างใดครับ